มาดูวิจารเนี่ยนะในธรรมะกล่าวถึงมโนวิจารสิบแปดมโนปะวิจารสิบแปดเาเรียกว่าความนึกหน่วงของจิตสิบแปดประการเนี่ยนะปะตัวนี้แปลว่าทั่วนะวิจารก็คือการตรองก็แปลว่าการตรึกการตรองของใจสิบแปดประการก็ วิจารก็เราอย่างที่เคยรู้รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่ารูปปวิจารสัท ธ, ธาวิจารคันทวิจารรัศาวิจารโพธภาวิจารและธรรมวิจารนี่เรายกมาเฉพาะรูปปวิจารอย่างเดียวเนี่ยนะรูปปวิจารบางอย่างเป็นที่ตั้งพอคิดอย่างนี้ปั๊บโสมนัสนนั้นอย่างหนึ่ ง, งพอไปคิดถึงรูปโสมนัสนึกถึงบางครั้งก็เป็นโธมนัสบางครั้งก็เป็นอุเบขาก็ สมมติว่าอย่างง่ายๆนึกถึงลูกบางขณะเนี่ยนึกแล้วดีใจเลยใช่ไหมนึกถึงลูกบางคร่วงนี่เสียใจเลยนึกบางครั้งก็เฉยๆเออลูกคนเดียวเนี่ยทำไมนึกตั้งได้ทั้งสาครั้งได้ตั้งสามอย่างนะบางครั้งก็ดีใจบ้างบางครั้งก็เสียใจบางครั้งก็เฉยๆตอนไหนนึกแล้วดีใจตอนที่เขาเป็นอย่างที่ใจเราคิดทุกอย่าง ตอนไหนที่เขาทำได้อย่างใจเราชอบทุกอย่างนเราจะดีใจตอนไหนเราเสียใจตอนที่เขาไม่ได้เป็นดังใจเรานึกเลยต้องการอีกซ้ายมันไปขวาอย่างเงี้ยนะอันนี้แหละนึกแล้วเสียใจตอนไหนที่ไม่ค่อยได้อะไรมากมายก็ธรรมดานะเห็นไปผ่านกันไปผ่านกันมาก็ธรรมดาบางครั้งก็นึกแล้วก็ดีใจบางครั้งนึกแล้วก็เสียใจบางครั้งนึกแล้วก็เฉยเฉยแม้แต่เสียงก็เหมือนกันเสียงเนี่ยนะ เสียงของบางคนเนี่ยบางครั้งได้ฟังแล้วก็ดีใจมากฟังบางครั้งแล้วก็เสียใจบางครั้งแล้วฟังแล้วก็เฉยเฉยยางเสียงเสียงนกเป็นต้นเนี่ยบางคนฟังแล้วก็ดีใจมากเลยนะบางคนอ่าบางครั้งฟังแล้วก็เสียใจบางครั้งฟังแล้วก็เฉยเฉยสอันนี้เป็นความนึกหน่วงของจิตเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัตโทมนัตและอุเบกขามันก็เลยการตรึกตรองในอารมณ์สามเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัต หกโทมานต์หกอุเบขาหกก็เลยเรียกว่าเป็นมโนปวิจารสิบแปดทั้งหมดทั้งหมดที่กล่าวไปนี่เป็นปิยรูปสารูปนะเป็นสภาวะที่เราปรารถนามากนะทั้งหมดที่กล่าวไปนี่น่าปรารถนามากสำหรับเราทั้งหลายแต่ทีนี้สิ่งที่เราชอบนะเราไม่เคยพูดถึงอีกมีตั้งเยอะแยะใช่ไหมคือตัวกว้างๆใหญ่ๆก็อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยนะ ตัวตัวหลักๆ ก, กว้างๆใหญ่ๆนะเพราะว่าสังขารขันยกให้ดูเป็นตัวอย่างแต่แต่เท่านี้ทีนี้เ อ, อสิ่งที่เราไม่ได้พูดถึงที่เรายังก็ติดข้องก็เช่นสังขารขันที่เหลือที่ไม่ได้เอามาพูดถึงเพราะตรงนี้ยกสังขารขันอแค่ห้ายกสังขารขันมาเป็นตัวอย่างแค่ห้าใช่ไหมแต่ว่าที่เหลืออยู่ที่ไหนอยู่ที่อายตนะภายนอกหัวของง้อว่าธรรมะ เพราะตัวใดที่ไม่ถึงกระเด่นชัดมากนักนะไม่ค่อยสาธารณะก็ไม่ค่อยได้ยกเอามามากล่าวพวกสิกที่เป็นกุศลก็ไม่ได้ยกมาพูดเลยใช่ไหมโสภณะสาธารณะอปมัญญาวีระตีปัญญาก็ไม่เอามาพูดสักอย่างก็แสดงอยู่ในคำว่าธรรมะคือถ้ายกเอาสิ่งเหล่านั้นมากล่าวเนี่ยในหัวข้อธรรมะเหล่านี้เนี่ยการแสดงบางอย่างเนี่ย อัทวอนีครั้งหนึ่งามมาการธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่ออภินยายะปริญยายะาอะไรอีกพระสัชกาตาพระภาเวตาพระถ้ากล่าวนีิถ้ากลา่า ว, า, า, กลาวว่าปัญญาเป็นปีรูปสาตรูปตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ปัญญาเมื่อจะละก็ละที่ปัญญาเนี่ยคนจะคิดว่าจะภาวนาไหมใช่ไหม ถ้าตัณหาจะเกิดนะั้นมันเกิดเพราะอาศัยปัญญาเพราะปัญญามันเป็นที่ตั้งของตัณหาปัญญาเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งมานะคิดหรือว่าจะเจริญปัญญาเกิดก็ยากยากแล้วเป็นที่ตั้งมานะอีตังคาก็เอานยเอาดีกว่าเพมันก็คือว่าไปโดยตร ง, งไม่เกื้อกูลต่อการเจริญไม่ได้เครือกูลต่อการเจริญกุศลธรรมมากนะักเคยเห็นมาดูก่อนพิสูจทั้งหลายสติเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่ไหม ปัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงเคยถามแบบนี้ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้ามาสอบถามแบบนี้คิดหรือว่าจะเจริญปัญญาไม่เกื้อกูลต่อการเจริญอยู่แล้วเพราะคาใดถ้าไม่เกื้อกูลต่อหลักการเหล่านี้จะไม่เอามาแสดงถึงถูกก็จริงแต่ว่าไม่เอามาแสดงก็แสดงคําไว้กว้างๆ ว, ว่าธรรมะเที่ยงหรือไม่เที่ยงะแสดงไว้กว้างๆเฉยๆแต่เป็นล็อกเข้านี่เดี๋ยวมันโน้มจะไม่ค่อยอยากจะเจริญอยู่แล้วด้วย เจอพ่ะย่เคยถ้าติดปัญญาจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาขอให้ติดจริงๆเถอะโอ้โหทาไมติดกุศลธรรมรักศีลจริงๆเลยนะชีวิตนี้ขาดศีลไม่ได้แล้ะชีวิตนี้ขาดสมถาวิปัสนาไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นก็แจวแล้วอันนี้ไม่ต้องไปสอนอะไรมากมายแล้วคนนี้ดีจริงๆคนนี้กิเลสน้อยมากจเจริญไปเถอะไม่นานก็บรรลุแล้วทีนี้เมื่อกล่าวถึงธรรมะได้เท่าไหร่นะสิบเอดได้ใช่ไหมสิบเอ็ดหัวข้อ มาขึ้นหัวข้อต่อไปอะไรธาตุหกใช่ไหมธาตุหกทีนี้ในบรรดาธาตุหกเนี่ยนะอยู่ในธรรมะกลุ่มไหนในธรรมะเหล่านี้หกอย่างเหล่านั้นเน้นอายตนะภายนอกมาขยายเป็นปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาอะไรอากาศธาตุส่วนจิต ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยอมไว้สัก์เดียวคือวิญญาณธาตุอมกว้างขวางมากแต่ภายนอกเนี่ยเพราอปฐวีเป็นอายตนะภายนอกอาปโปเตโชวาโยอากาศเป็นอายตนะภายนอกอยู่ในกลุ่มอายตนะภายนอกแต่นี้เป็นเหตุใกล้แห่งอายตนะภายในสิเหตุใกล้ของกาใช่ไหมเหตุใกล้ของอายตนะภายใน หรืออีกนายหนึ่งอีกนายหนึ่งเนี่ยนะอันนี้เป็นอันนี้ปริยาที่หนึ่งะอีกนายหนึ่งขันห้าเนี่ยมาแสดงแบบนามรูปโดยย่อยกเอาขันห้าเนี่ยมาแสดงแบบนามรูปโดยย่อปทวียี่สบอาโปสิบสองวายโยหกเตโชสี่อากาศ อากาศก็คือช่องว่างระหว่างพวกธาตุเหล่านั้นเช่นช่องจมูกช่องหูช่องปากเป็นต้นนะนะส่วนวิญญาณธาตุก็คือพวกนี้อีกนั่นแหละพวกนี้เป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้ยกให้ในความเป็นนามธรรมเนี่ยนะเป็นธารู้อ่าเขาเรียกว่าพวกนี้เป็นรูปวิญญาณเป็นนามพระพุทธเจ้าเน้นสอนวิปัสสนาแบบเนี้มากมีหลายแห่งเลย ว่ากายนี้เป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสี่มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวศพข้าวสุกผนมสดเนี่ย น, นะอันนี้นี่รูปแล้วใช่ไหมวิญญาณก็อาศัยกายนี้แหลนนะแค่นี้นี่แหละวิปัสสนาญาณของพระพุทธเจ้าแสดงไว้แค่นี้จริงๆโดยเฉพาะในไปดูในสามัญญผลสูตรนะแสดงว่าย่อมากนะแล้วก็อุปมาให้ดูอีกนิดหนึ่งอะไรเหมือนกขบอกว่ามีแก้วแล้วก็ในแก้วนี่มีรู แล้วก็สอดได้เข้ามาอุปมาเนี่ยนะอุปมาเกี่ยวกับวิปัสสนาญาณเนี่ยแสดงไว้เท่านี้จริงๆที่เหลือก็รู้กันพ่านพวกนี้ก็การแสดงแบบธาตุกคือการแสดงแบบยอ่อใช่ไหมแสดงแบบย่อส่วนอขออภัยคำว่ายอ่อย่ออะไรยอ่อนามรูปนะยอ่อแบบยอ่อๆเพราะพิสดาร น, นี้ขยายมาแล้วนะบางคนเนี่ย แล้วเวียนหัวไปหมดเลยทำไมเยอะแยะไปหมดเอางั้นเอานี่ย่อๆไปกันแล้วกันท่านก็บางทีก็นึกๆบางทีท่านก็ห่วงๆคนปัญญาไม่ค่อยมากหมือนกันนะทีนี้พอธาตุหกจบอะไรต่ออะไรเนี่ยกระสินสิบเลยนะเคยถ้าเป็นพวกกระสินสิบกระสินสิบเนี่ยยกอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษถามว่ายกอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษเมื่อกี้คุณให้ให้ดีนะเมื่อกี้ปัทวีอาโปเตโช วายโวพวกนี้ได้กสินเท่าไรแล้วพวกนี้เรียกธาตุกระสินสีแล้วธาตุเหล่านี้โดยปกติเป็นที่ตั้งแห่งสีนีละนีะ่สินสีเขียวแล้วธาตุสีนี้เป็นที่ตั้งแห่งสีสีอะไรปีตะเหลืองนะปีปีตะกะสินสีเหลืองแล้วอะไรอีกโลหิตตะกะสินสีแดงและ สุดท้ายก็คืออาตะกรสินสีขาวโอทากะสีขาวอ่ะนะพวกนี้ก็เป็นวันณกะสินเนี่ยนะพวกนี้เป็นวันณกสินใครที่เจริญกสินเหล่านี้ได้จนถึงเป็นอารมณ์ของฌามสีได้ถึงอารมณ์ระดับฌามสีเนี่ยนะแล้วก็ขยายให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วเพิกเมื่อเพิกไอช่องว่างๆอันนั้นแหละเขาเรียกว่าอากาศกสินอากาศกสินเนี่ยนะ เพราะว่าอากาศกสิณคืออากาศที่เกิดจากอากาศจากการเพิ่มส่วนวิญญาณกสิณก็คืออากาศพวกนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์ของของฌานใชฌานตัวนั้นเรียกว่าอากาศสักอากาศสอากาศสารานจายตนะทีนี้มนุิการแล้วเข้ากําหนดตัวอากาศสารานจายตนะนั่นแหละเป็นอารมณ์แล้วเข้าฌานเรียกว่าวิญญาณานจายตนะเพราะฉะนั้นวิญญาณานจายตนะเนี่ยนะมีอากาศสัเป็นอารมณ์ อากาสาณจายตนะเป็นวิญญาณกสินนะเป็นวิญญาณกสินสรุปคาว่ากสินทั้งสิบเนี่ยนะเธออะไรคือฌานสี่อ่าฌานฌานสี่และอรูปฌานอีกสี่อยู่ในคำว่ากสินสิบตรงนี้ทัานกระสินควรรู้ยิ่งหมายถึงรูปฌานกับอรูปฌานควรรู้ยิ่งแต่เป็นฌานที่มีกระสินเป็นอารมณ์ ก็ผู้นักใครที่กำหนดธาตุสีได้ดีจริงๆเนี่ยนะพวกนี้เข้าฌานได้เมื่อก่อนสงสัยว่าทำไมพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงฌานเอ่อแสดงธาตุสีในธาตุวิพังกสุททำไมแสดงปฐวีธาตุอาโปธาตตโชธาตุวายโยธาตแล้วต่อด้วยแสดงอรูปฌานเลยเมื่อก่อนสงสัย ทำไมมันลัดขั้นตอนมากรัดของเราอะนะไม่ได้พอองไม่ได้ลัดหรอกเพราะไอ้คําว่าปัทวีธาตุของพระ อ, องค์เนี่ยมีกี่อย่างนะตัวหนึ่งครับหนึ่ง 1> <1. ลักษณะปัทวี 2. สองสสามภาระปัทวีสามอารามณะปัทวีสี่สมมติปัทวีเนี่ยนะของเราคิดแต่อันนี้อันเดียวมากถ้าอีกหน่อยก็ได้อยู่เท่าเนี้ยแต่ในแง่ อ, อารามณะปัทวีเรา ไม่เคยเอามาเพ่งพอไม่เคยเอามาเพ่งก็ทําให้สงสัยเหมือนกับว่าแสดงท่าศีแล้วลัดไปหารูปฌานเลยจริงๆไม่รับหรอกเพราะคาว่าปัทวีธาบเนี่ยอมถึงอารัมมณะปัทวีที่หมายถึงปัทวีกสินอยู่ในธรรมในตัวอยู่แล้วก็คือเรื่องของเรื่องก็คืออ่านท่าวิพังกสูตรตอน ท, ท้ายๆใช่ไหมลืมมูลปริยยสูตรอ่านหน้าลืมหลังต่อไป พอจบกสินสิบโครงแสดงอะไรอีกนะอาการสาสิบสองอาการสามสิบสองเนี่ยนะก็พื้นฐานมาจากสะสัมภาระปัทวีนะั่นคือในในธาตุหกเนี่ยนะในธ า, า, าตุธาต้อะไรในธาตุหมาเหลือธาตุสี่ธาตุสี่ปัทวีธาตุกับอาโปธาตุเพราะปัทวีธาตุเป็นที่ตั้งแห่งตันหาปัทวีทั้งเท่าไหร่ยี่สิบอาโปสิบสอง เขก็แบ่งเป็นกลุ่มๆนะถ้าจําเป็นกลุ่มก็ง่ายกลุ่มแรกเรียกว่าตาจะปัญจกะตะโจหนังมีหนังเป็นที่ห้านะผมคนแรกฟันหนังก็ได้ห้าเตระกะจะปัญจกะสองวะกะปัญจกะมีไตเป็นที่ห้าเนื้อเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตนะเขาเรียกว่าวะกะปัญจกะห้าต่อไปก็ปัปพาสะปัญจกะมีปอดเป็นที่ห้า หัวใจตับพังผืดม้ามปอดเรียกว่าปรับภาษาปัญจากะแล้วมัธหลงขาปัญจากะมัธหลงขาปัญจากะมีห้าไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกระโหลกศรีรษะเนี่ยนะก็เป็นห้าห้าคูณสี่ก็ยี่สิบเรียกปัาปฐวีธาตุยี่สิบ ธาตุเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งอาโปธาตุอีกเท่าไหร่สิบสองคืออะไรบ้างก็เครียกว่าเมโทปัญจกะเนี่นะเมทะปัญจกะเอ่อเมทะาฉักกะก็คือปิดตังน้ำดีเสมหังสเลดสเลดเนี่นะเสมหะเสมหังกุโทน้ำหนองโลหิตังเลือดเมเสโทเงื่อแล้วก็เมโทมันข้น อสุน้ำตาวาสาวาสามันเหลวอะนะเคโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกลัสิกาไขข้อมุตังมูดตริราเมทะฉักตะและมุดมุ ต, ม ต, ตะใช่ไหมมุ ต, ตะฉักตะพวกนี้นะฉักตะนะหกหมดหกก็รวมกันอย่างนี้ก็จะเป็นสามสิบสอง ก็เขานิยมให้สาธยายนะอธิมัสมิงกาเยเกสาโลมานค า, าทันตาตะโจมังสังนะฮารูเป็นตัวหนึ่งผู้การสาธยายทุกวันนะเขาเราองั้นสาธยายทุกวันใช่ไหมตอนนี้ะสาธยายทุกวันเลยนะมันก็ได้เจริณอผินยายนิเทศอยู่แล้วนะอ๋อเป็นภาษาไทยก็ใครถนัดภาษาไหนก็ให้มันได้สักภาษาเถอะ <c oughs> ไม่ว่า ก, กันอยู่แล้ว อาการสามสิสองพอจบอาการสามสิบสองพระองค์แสดงอะไรอะไรอีกอายตนะใช่ไหมอายตนะสิบสองคือทำที่กล่าวไปเนี่ยนะจะกล่าวแบบอายตนะสิบสองก็ได้ใช่ไหมอายตนะถ้าแบ่งเป็นอายตนะภายในกับภายนอกก็คือย้อนกลับมาอันนี้สองกลุ่มเนี่ยอายตนะภายในกับภายนอกอายตนะภายในคําว่าในในที่นี้เนี่ยคือ คือมันในที่สุดในเรื่องนั้นอย่าไปคิดว่ามันในแบบอย่างอื่นนะคือในที่สุดถ้าเทียบกับอย่างอื่นนี่มันนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคือในที่เหลือนอกหมดเลยตรงลงผมเนี่ยมันในหรือนอกใครได้ตอบแยะนะ่ไหมคิดหน่อยผมเนี่ยเป็นอายตระภายในหรือภายนอกในก็มีทั้งในทั้งนอกกันแหละก็ในผมมีกี่รูปผมทั้งหมดมีสี่สิบสี่รูปใช่ไห สีิบสี่รูปเนี่ยมีในอยู่หนึ่งกายะทศกะมีในอยู่หนึ่งเดียวที่เหลือสี่สิบสามนะเป็นนอกมันก็นลักษณะเนี่ยในสะสมภารจาจักสูตรเนี่ยนะลูกตาทั้งลูกเป็นในหรือนอกได้ใ น, ในสองอัน น, นทั้งหมดห้าสิบสี่เลห้าสิบสี่เป็นในสองคือจกักระาษาทะกับกายะประสาทะที่เหลือเป็นภายนอกเห็ไนไหมก็ก็มา ค, ค, ค่อยคิดแบบนี้นะ เพราะคว่าในหรือคาว่านอกในที่นี้ก็คือนอกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจยเรียกว่านอกหมดจะอยู่ตรงไหนก็เรียกว่านอกหมดโดยที่สุดแม้แต่หัวใจยังนอกเลยนันก็อายตนะสิบสองเมื่อครั้งที่แล้วก็ก็ก็กล่าวนะว่าวิธีฝึกคิดเรื่องอายตนะสิบสองนี้ก็คือมันเป็นที่ประชุมของจิตแลเจตสิกะนะ อายตนะภายนอกเนี่ยถ้าเป็นอะไรนะภาพบางภาพนี่จะรู้ว่าเป็นที่ประชุมของดวงตาจริงๆเลยนะอย่างอย่างอย่างเช่นอะไรนะสีสีเดียวนะโอ้อย่างภาพพระพุทธรูปภาพองคเดียวนะทุกคนก็ไปกราบอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ชุมนุมของจิตแหละเจตสิกไม่ใช่น้อยเลยเนะียก็ทุกสีอะนะสีเสียงเปลี่นรสโภชภพอายตนะภายนอกเนี่ยเป็นที่จิตมารวมใช่ไหมเป็นที่จิตมารวมถ้าเป็นอายตนะภายใน เป็นที่ทะลักออกมาของจิตและเจตสิกหรือเป็นรังของจิตเจตสิกก็ไม่ผิดนะถ้าจะเรียกว่าเป็นรังนี่นึกง่ายดีก็จิตเจตสิกเนี่ยไหลออกถาวรต่างๆเนี่ยมันไหลออกขนาดไหนเพราะถาวรตางเดิมที่เราใช้ท่านอ่านหนังสือเนี่ยนะมันไหลออกมาจากตาเนี่ยมากมายเหลือเกินในจิตเจตสิกถ้าเป็นฟังเสียงเนี่ยโซอ่าหูเนี่ยจิตเจตสิกมันไหลออกทาวาวรหูเนี่ยมากเหลือเกิน มันมันเป็นเหตุแห่งจิตเจตสิกเป็นที่ประชมแห่งจิตและเจตสิกท่านถ้าใครอยากจะมานสิการจิตเจตสิกเนียดูจากอายตนะภายในกับภายนอกเนี่ยมานสิการต้องจะเห็นจิตและเจตสิกเลยเพราะอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเป็นที่ตั้งแห่งจิตและเจตสิกเนี่ยเนะ่ยท่านถามว่าเอาเวลาเห็นสีเนี่ยมานสิกานยังไงก็ต้องนึกว่าจิตที่ไปรู้สีพวกนั้นมีอะไรบ้างก็ต้องมามาฝึกคิดแบบนี้ เพราะอายตนะแปลว่าเป็นบ่อเกิดเป็นที่ประชมเป็นที่เป็นสโมสรเนี่ยนะอีในอีกหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือสือบสอสังสารวัตมาแล้วก็นำต่อไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปก็หลายๆวิเคราะห์โดยเฉพาะในแง่ปฏิจจสมุปาทเราก็กล่าวมาแล้วตรงนี้ก็เน้นให้เห็นว่าถ้าเป็นอารมณ์หกเนี่ยนะก็เป็นที่โคจรของจิตและเจตสิกจิตเจตสิกก็ไปประชมกันอยู่ ตรงนั้นอย่างดวงอาทิตย์เนี่ยนะคนดูแงนดูดวงอาทิตย์นี่มันเท่าไหร่จิตเจตสิกกี่ดวงนั้นมีดวงอาทิตย์เป็นอารมณ์เนี่ยนะก็ถ้าเอาคนมาเป็นเครื่องวัดด้วยแล้วก็อย่างที่เขาบอกก่าอย่างนี้นะรายการทีวีหนึ่งภาพที่เขาแพร่อ อ, อกมาเนี่ยคนไทยดูไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านดวงตาหนึ่งล้านคู่เนี่ยจ้องอยู่ที่ทีวีถ้าท่านนาเผยแพร่ออกภาพมาหนึ่งภาพนะแว็บขึ้นมาเนี่ย เขาคำนวณได้เลยว่าหนึ่งล้านคู่เนี่ยดูอยู่ถามว่าไอาภาพที่แพร่ออกไปนั้นจิตเจตสิกไปจ้องอยู่แต่ในมีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์นี้เท่าไหร่แต่วิทยุนี่ไม่เคยได้ยินเขาวิจัยนะแต่นี้ที่ด็อตอร์อะไรนะที่หัเรอเซเรียนะเขาเล่าว่าถ้าโฆษณาทางทีวีเนี่ยหนึ่งหนึ่งล้านคนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องได้ดูอยู่แสดงว่าเขาทําวิจัยมาทั้งภาพที่แพร่ อ, ออกมาเนี่ยจิตเจตสิกกี่ดวงที่ไปมี มีสีอันนั้นเป็นอารมณ์อนะ่ะนมากมายมหาศาลอ่ะนะเยอะแ ย, ยะไปหมดเลยนี่เป็นทีวีเมืองไทยนะถ้าเป็นทีวีต่างประเทศอะ่ะจิตเจตสิกเท่าไหร่ที่ไปมีมีสีอันนั้นเป็นอารมณ์อะ่ะทั้งพวกอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นที่โคโจรไปแห่งจิตและเจตสิกเนี่ยนะนะอารมณ์ทั้งหกเนยนะนะรูปเสียงกลิ่นรสอย่างเขาบอกว่านักร้องบางคนเนี่ยแกพูดหนึ่งแกร้องเพลงออกมาแปดแผน่นแปดแผ่นก็ หนึ่งชุดเนี่ยแปดล้านแผน่นแล้วแต่ละแผ่นเนี่ยฟังกี่รอบอะนะเพราะฉะนั้นเสียงอันนั้นอ่ะที่เปล่งออกมาหนึ่งครั้งอันนั้นเนี่ยเป็นที่โคจรแห่งจิตกี่ดวงอ่ะนะฐานมากี่หูหูมากี่คู่แล้วก็ที่ไปฟังเสียงอันนั้นอ่ะนะเราจะรู้ว่าเสียงทั้งหลายรูปเสียงเป็นที่โคจรแห่งจิตเจตสิกจริงๆนะๆนะจิตเนะจตสิกก็โคจรในอายตนะภายนอกแต่มันไหลออกมาจากอายตนะภายในเนี่ยนะ เดี๋ยวเรื่องธาตุที่โยมถามก็เดี๋ยวพักก่อนเนาะ